พูดเตือนกันโดยดีพูดกันด้วยดีไม่ใช่ตีเตียนนะเรือประเตือนนะออผมพี่นาดูไอ้คุณทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนี่ดูมันจะไม่ค่อยอดีเท่าไหร่นะ mm. เทียบกับทำกับไอ้ไนนะี่ไม่ค่อยถูกอย่างนี้นะแต่ถ้าเราว่าผู้นั้นไม่ยอมและไม่ยอมเชื่อเลยนี่ก็ต้องพาไปหาอุปชาอาจารย์อืม mm. ก็ให้ปฏิบัติกันอย่างนี้อย่าไปถกเถียงกันอย่าไปทะเลาะกันถ้าไม่เชื่อผมก็นิมนต์นิมนต์ไปหาอุปาจใจให้ให้ท่านวิธิชัยให้ว่าคุณผิดหรือถูกถ้าเขาว่าท่านวิธิจัยแล้วคุณถูกอยู่ผมยอมผิดผมจะขอคมาโทษท่านเอาอย่างนั้นเลยทีเดียวแต่ถ้าเขาก็ ถ้าไม่ได้ใช้แล้วเป็นติดจริงคุณก็ต้องยอมต้องยอมปฏิบัติตา ม, มเราหวังดีต่อกันนะ <c oughs> ก็ให้ทำอย่างนี้อย่าไปใช้กิเลสเข้าประทบกระทั่งกัน <c oughs> พูดกันไม่รู้เรื่องแนละ้วโกโตกันอย่างเงี้ยไม่ดีอย่าทำ เพราะว่าเราบวดมานี่ก็เพื่อมาละความโลภความโกรธความหลงนี่นะแล้วจะไปสะสมความโกรธให้มันหนาแน่นขึ้นทำไมอะ่ะต้องคิดใส่ตอนอย่างนี้เตือนตอนเสมอไปอย่าไปมุ่งหวังว่าจะแต่จะให้ผู้อื่นนั้นดีไฟเดียวถ้าเขาไม่ทำตามมาเียงตนตองอก็ไมยพอใจโกรธอย่างนี้ตนก็คอยเสียไปด้วยไม่มีดีเลย นั่นมันต้องคิดใช่เห็นอย่างนั้นแต่ถ้าเขาไม่ทําตามที่เราสั่งเตือนแล้วก็เลี้ยวไป <c oughs> เราก็ไม่ส่งไปต่อร้อต่อเสียงกัน <c oughs> เรื่องของไ ข, ข้ของมันไปอย่างนั้นแล้วมันก็เลี้ยวเรื่องไปมันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาดกันแต่ <c oughs> ทุกคนเนี่ยมาบวชเนี่ย เป็นหมวดเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ ย, วยบบนวลจะบรรลุนิติภาวะมาแล้วทั้งนั้นนะเมื่อเขาว่อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะคนบรรลุนิติภาวะหมายความว่าคนตั้งแต่อายุยี่สิบขึ้นไปนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ในระเบียบของทางราชการหรือว่าทางไอ้พระวินัยก็เหมือนกั น, เ, นเพราะฉะนั้นเน่ะ ผู้จะมาบวชเป็นพระที่สูเนี่ยก็จึงต้องมีอายุครบ20บริบูรณ์ก่อนให้บรรลุนิสิภาวะก่อนให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซะก่อนแล้วจึงมาบวชมันจึงได้อดทนปฏิบัติตามรมตามวินัยนี้ได้แตอครั้งพุเทเจ้านะั่นเพระอุปชาองค์หนึ่งไปบวชคุณระบุที่อายุไม่ครบ20ปี พอบวชมาแล้ววันนี้มันก็ไม่มีความอดทนที่จะปฏิบัติตามพระวินยัยก็เดือดร้อนกันคนเดือดร้อนกันอย่างนี้กรรมการทั้งหลายก็เรียกมาประชุมแล้วก็ซักถามดูอายุอานามก็จึงรู้ได้ว่าอายุไม่ครบยี่สิบปีเลยคนเหล่านั้นเมืม่อเป็นเช่นนั้นก็ต้อง ต้องให้ฝึกออกไปหรือว่าต้องให้บวชเป็นสามเณรนั่นแหละต้องให้บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุครบยี่สิบริบูรณ์แล้วก็วจึงบวชเป็นพระต่อไปแต่ก็ไม่ถึงกับว่ามีโทษหนักหนา <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์เนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่กันแล้วควรพากันคิดให้ดี อย่าไปทำใจให้ลอกแหละอ่อนแอต้องวางตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พูดอะไรสนทนาอะไรกันก็พูดให้มีเหตุมีผลอย่าไปพูดเล่นพูดทัวพูดหยอกล้ออะไรกันเหมือนกับเด็กน้อยหยอกเย้ากันกต่างๆคนนี้นะไม่ดีเนี่ยอย่าไปทำในเราเป็นสรมนัตเทศนี่นะเมื่อมีเรื่องสมควรที่จะพูดกันจึงค่อยพูด ถ้าไม่มีเรื่อง ท, ที่สมควรจะพูดกันแล้วก็นิน่งใครนิ่งมันอยู่ดีอเอไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันนี่เป็นเป็นพวินัยโดยแท้พระวินัยนี่เป็นอย่างนั้นจริงถ้าไม่มีเรื่องที่ควรจะพูดแล้วนิ่งเลยดีกว่านั่นแหละไม่มีโทษอะไรการนิ่งเสียเลยเนั่น พูดมากไปแล้วมีทางเสียกับดีพอๆกันเลยเพราคนที่ยังมีกิเลสอยู่นี่แหละเดี๋ยวสติปัญญานี่ก็บกทล่องไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพูดมากๆเข้าไปแล้วก็เอาแล้วมันมันจะเผลอแหละมันเผ ล, ล, ลอแล้วปล่อยกิเลสออกมาเนีลยกระทบกระทั่งคนอื่นไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้พา ก, กันสํารวมคาพูดคาจาให้มากในวันนี้การที่เรามีพิธีขอสมาโทษกันนี่นะอันนี้หมายความว่าเราก็หวังดีต่อกันนเะนเราหวังจะร่วมสูกร่วมทุกข์กันพร้อมใจกันประพฤติติบัติรรมร่ววินัยฝึกกายราจายใจทุงตนให้ดี ทำละกิเลสให้เบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจไม่ใช่เราบวชมาเพื่อสะสมกิเลสดังนั้นถ้าหากว่าก่อนเข้าคพรรานี้เราได้กระทบกระทั่งกันได้ประมาทได้ร่วงเผินกันด้วยกายวาจาใจต่อหน้าพอดีรับลังพอดีก็ขอให้อโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปอย่าได้ไปถือโกรธถือเกลียดกันต่อไป ให้เลิกแล้วแก่เกินกันไปนี่ความหมายของคำว่าอขอขมาโทษต่อกันนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราให้อัโหสีกรรมกันไปอย่างนั้นแล้วต่อจากนั้นไปต่างคนต่างก็สำรวมระวังตนอย่าให้ตนนนั้นเผลอไปกระทบกระทั่นผู้อื่นในทางที่ไม่ดีนี่ต้องระวังตัวอยู่เสมอ แต่ถ้าเหลือระวังมันเผลอไปอย่างนี้ก็ขอโทษกันเมื่อรู้ว่าตนได้ร่วงเกินเพื่อนด้วยความทล้งเผลอรู้ตัวครแล้วก็ขอโทษผู้นั้นผู้ที่ถูกขอโทษก็โอโหสี่ให้เพื่อนไปไม่ถือสาหาความกันมันก็แล้วไปนี่วิธีปฏิบัติต่อกันนะขอให้เข้าใจอันเวลาฟังนะไม่ควรดูหนังสือนะ เตือนแล้วนะเข้าใจกันบ้างเว้ยเดี๋ยวไปไปมัวจะส่งใจอย่างอื่นแล้วพูดไรฟังมันจะเข้าใจความหมายได้ยังไงอ่ะอ ม, มันต้องตั้งใจฟังอีกที น, นี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะพูดกันเนี่ยเรื่องที่เราจะต้องทําความดีนะเราจะทําความดีในศาสนานีจะทําอย่างไรนี่นะที่พูดอยู่นี่นะ เพราะว่าเมื่อมีดีอยู่ที่ไหนชั่วมันก็มีอยู่ที่นั่นออดังนั้นเราจึงต้องป้องกันความชั่วไว้พร้อมกับทําความดีไปนี่ความหมายนะเป็นอย่างนั้นความชั่วกัอย่างว่าเนี่ยความกระทถิบกรทั้งกันทะเาะวิวาทกันนี่มันก็เป็นความชั่วของผู้อยู่ร่วมกันต้องระมัดระวังอย่าให้มันมีขึ้นมา อันนี้แหละความหมายของคำว่าการขอสมาโทษซึ่งกันและกันนี่เราขอสมาโทษกันลำดับลำดับลงไปเลยตามธรรมเนียมเป็นก็หวังว่าทุกคนก็คงจะจำทำให้สมาได้แล้วไม่ใช่หรือ นี่ต้องนึกไว้ในใจทุกคนนะอาหั่นธรรมามิตูมเฮหิติเมฆมิจับบังนี่เมื่อเมื่อผู้กล่าวคำขอขรรมาผู้ผู้ผู้เป็นหนหน้าพาขึ้นกล่าวคํำขอขรรมานั้นเป็นผู้ถือขันดอกไม้ยกไว้เมื่อกล่าวคำขอขรรมาจบลงนะขอขอทีเดียวนะว่าทีเดียวเท่านะั้นแหะ จบลงแล้วก็ยื่นขันดอกไม้ให้แก่ผู้อรับขมาโทษผู้ถูกขอขมาโทษนั้นก็ต้องรับเอาขันดอกไม้กับพื้นวางไว้เมื่อวางไว้แล้วควรนมมือวันนี้ไอ้ผู้ที่ขอขมาในก็หมอบลงแล้วผู้ที่ถูกขอขมาก็กล่าวคําว่าอหังมามิตูมให้ปิเมคมิตับบังอย่างนี้นะ นึกในใจไว้เสมอท้าผู้ใดได้ท่องมาแล้วนะเดี๋ยวมันเกิ์นะถึงเวลานั้นมาแล้วมันเกินอยาให้มันเกิดตั้งสติให้ดีสำมรวมจิตให้แน่วแน่เมื่อกล่าวคำอย่างว่านี้จบลงก็ยื่นขันลงไว้นี้ให้ผู้อขอเข้ามานั้น ผู้ขอก็มารับไปแล้วก็ให้ผู้รองลงไปนั่นถือไว้ออืแล้วผู้เป็นหัวหน้าโมนิก็หันหน้าไปหากันก็นมมือไว้แล้วก็ให้ผู้รองลงไปนั่นถือหันลงนี้ <c oughs> ขอเข้ามากันต่อไปอีกเออน่ก็ทําทําอย่างนั้นแหละเรื่อยลดหลั่นงินไปเรื่อยเรืไปจนถึงสามเนนหมดรามเนรแล้วก็หมดกันแหละ ตบขาวดาบดไม่ต้องหรอกอเอาแค่ธรรมนเนียก็พอแล้ว อ, อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นนะ<ม>การฝรึกธรรมจันย์ในพระธรรมวินัยนีนะ่เมื่อผู้มีปัญญาได้พิจารณาดูแล้วมันก็น่าปลื้มใจ น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราไม่รู้จักระเบียบอันดีงามอย่างนี้มาแต่ก่อนเลยต่อเมื่อเราได้มาปฏิญญานตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งได้ทรงภาคตาสาวพัฒน์เหล่านี้เข้ามาแล้ว เราจึงมาศึกษาพระธรรมวินัยนี่พอจึงได้รู้ระเบียบอันดีงามระเบียบอันเป็นไปเพื่อละกิเลตันหามานะทิฏฐิอันนี้ให้เบาวางออกจา ก, ก จ, จิตใจนี่อันระเบียบเหล่านี้นะให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายอะการทําอย่างนี้ล้วนจะเป็นอุบายละทิฏฐิมานะให้เบาวางออกจา ก, กจิตใจทั้งนั้นแหลยเพราะตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยกราบใครนี่ บางคนอาจจะไม่เคยกราบใครเลยก็มีแม้แต่พ่อแม่ของตนเน่ะก็ไม่เคยกราบเคยไหว้เลยก็มีนี่เพราะฉะนั้นน่ะมันจึงแข็งกระด้างกระเดื่องคนเรานี่นะออ ม, มันจึงได้ทะเลาะวิวาดกันเบียดเบียนข่ากันอะไรพวกนี้มันร่วนตั้งแต่ไม่ได้ฝึกตนให้เป็นคนอ่อนนกอ่อนโยนอ่อนนอนพั้งนั่นแหละให้เข้าใจทีนี้เมื่อเราได้มาบวชแล้วออ ได้เขารุกต่อพระธรรมวินัยเนืบดัดกายว า, ายใจใจขงสนให้ตรงต่อธรรมวินัยเข้าไปเลยมันก็ทําให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้มันเบาบางไปเรื่อยๆจะกลายเป็นพลสงบระ ง, งับอจากบาปอกุศลต่างๆไปจึงแนะนำว่าสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบระ ง, งับจากบาปโทษมนทินต่างๆ นี่มันมันเป็นผลดีอย่างนี้แหละการบวชนะให้พากันเข้าใจมันเป็นผลดีต่อตัวของเราเองนี่แหละเราได้ฝึกตนการที่คนเราจะพ้นทุกข์พนภัยในสงสารนี้ไปไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้กระเสริฐในโลกนี้เอง เนี่ยว่าเราพอพึ่ไปตามใจชอบอถ้าเราไม่รู้ทำวินยัยเราไม่เลื่อมใสต่อทำไม่วินัยนี่นะเราก็บอกพึ่งตนไปตามใจชอบเมื่อตอนชอบอย่างไรก็ทําไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นจะผิดหรือถูกไม่รู้แนละ้วว่าแต่ชอบใจแล้วก็ทําไปพูดไปอย่างนี้นะแต่บางอย่างมันก็ไม่ผิดหรอกแต่บางอย่างบางทีมันก็ผิดไปแล้ววันนี้เงินผิดไป พอมันผิดไปมันก็ไปกระทบไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นแล้ววันจะทาให้เกิดทะเลาะวิวาดกันขึ้นเบียดเบียนกันต่อไปนี่เป็นอย่างนี้นะความไม่รู้วันนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้นะก็เรามีโชคดีมีบุญมีวาสนาได้มาพบ พุทธศาสนาอันเสรตนี้เมื่อพบแล้วก็ยังได้มีศรัทธาเอาตัวเข้ามาบวชก็พุทธธรรมวินัยในพุทธศาสนานี้ทำละความโลภโกรดหลงกิเลสตัณหามานะทิสิอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจนี่มานมนานแล้วนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจ ก็เพราะฉะนั้นระจึงชื่อว่าเป็นผู้มีวัสนาถ้าเราเกิดมาในชาตินี้ครับาได้ไม่ได้พบพุทธศาสนานี่นะเราจะไม่ได้มาอบรมตนฝึกฝนตนอย่างนี้เลยเก็จะตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาไปอย่างสามัญชนทั่วไปนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละ ในยุคใดสมัยใดหรือว่าในกลับในกันใดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาฟังเกิดขึ้นในโลกแล้วท่านกล่าวว่าเป็นศูนย์กกับแปลว่ากลับที่ศูนย์เปล่าคนที่เกิดอยู่ในศูนย์กกับอ น, นั้นก็ไม่มีสติปัญญาอะไรที่จะมาละทั่วทําดีได้ไม่มีอุบายปัญญาที่จะมา คึกคนอบรมจิตใจนี่ให้เกิดความรู้ความฉลาดในธรรมของจริงไม่มีเพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย์ผู้เน้นํำสั่งสอนเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าศูนย์ะกลับไปว่ากลับเปล่าจากมักจากคนเราจะผนทางคนจากทุกข์คนเกิดมาในยุคนัน้นสมัยนั้นก็อยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆนี่แหละ แต่ท่านก็ว่ามันก็ยังมีพวกฤาษีดาบทอยู่ในศูนยากระับอันนั้นกับพวกฤาษีดาบทนั่นแหละไปยุให้คนหลงอันที่มันจะเกิดนับถือพระอินทร์พระพรมกันอยู่ต่อๆมานี่กับ พ, พวกฤาษีนั่นแหละภาวนาไปแล้วก็ไปปรากฏเห็นเท้ามหาพรหมเห็นพวกพรหมนี่ อยู่เย็นเป็นสุกกันมากมายกวัวคนธรรมดาสามัญก็เลยถือว่าพระพรหมนั่นแนหะเป็นผู้ประเสริฐกลัวบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายวันนี้จึงได้มาแนะนำสั่งสอนชาวบ้านให้นับถือท่ามหาพรหมแล้วจึงมาแนะนำให้ประชาชนทั้งหลายได้รู้ว่าไอตัวของเราเนี่เกิดมาจากท่ามหาพรหม พระมหาพรมเป็นผู้นิรมิตให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงความจงรักภักดีต่อท้ามหาพร ม, มแล้วพวกฤาษีลังนั้นก็เขียนเป็นตําราไว้เลย<ม>วันนี้คนเกิดมาในสมัยนั้นก็ไปเรียนตํ า, าราระฤาษีนั้นเขาก็ถือว่าเป็นมนขังเลยถือว่าเป็นตําราศักดิ์สิทธิ์ เรียนการจำกันแล้วก็ปฏิบัติตามถึงก็ได้สร้างโรงบูชายันฤาษียังแนะนำให้จับแพะจับแกะมาแล้วก็มาเชื่อดคอโยนเข้ากองไฟนั่นพรความหมายของฤาษีเรลานั้นว่าให้ไฟนี่มันไหม้เนื้อแพะเนื้อแกะเนี่ย กรองกลิ่นพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าไปสู่สัมมาโลกนู่ให้พวกพรหมพวกธรรมพรมได้สูดกลิ่นเนื้อสัตว์เหล่านี้ลองเข้าใจผิดนะนึกว่าถ้าพวกพรหมพวกธรรมพรหมยังจะยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงอะไรพวกนี้อยู่นั่นแสดงว่ามันเข้าใจผิดถนัดเลยพวกฤาษีนะคนทั้งหลายเชื่อพระฤาษีก็เลยทําบาป ก, กรรมกัน คือพอดกันมาตั้งหลายทั่วบรรพบรุษมาเลยนั่นเลยจนว่าพระพุทธ เ, เจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้นี่แหละพระองค์เิงได้ <c oughs> แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้รู้ว่านั้นไม่ใช่หนทางคนทุกข์เป็นการสร้างกรรมสร้างเวรผอไปค่าสัตว์ชีวิต แล้วไปบูชาธรรมะพรมหวังจะให้ธรรมะพรมนั้นประสิทธิ์ประสทัทความสุขให้แก่ตนเมื่อธรรมะพรมได้สูตรดมกลิ่นของสัตว์เหล่านั้นแล้วก็จะเอ็นดูกรุณาในหมู่มนุษย์จะช่วยหมูมมนุษย์ให้อยู่เย็นปีสงห้เจริญเหนืยลาบยศถนส่วนมีอายุยืนยาวนานอะไรหมูนี้แหละ <c oughs> แต่แท้ที่จริงแล้วผู้ที่เป็นพรมนะ เป็นผู้เพียบพร้อมเวรพรหมวิหารสี่มีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจท่านเจริญพรหมวิหารในจนได้บรรลุฌานนุ่นเข่งเมตตากรุณาในจนใจสงบลงจนบรรลุกรูปรชานสี่อรุปรชานสี่นุ่น เ, <อ>เนี่ยอนุภาพแห่งพรหมวิหารสี่ทำให้ท่านผู้บำเพ็ญ น, นั้นได้ไปบังเกิดเป็น พรอมมีรูปบ้างเป็นพรอมที่ไม่มีรูปบ้างอย่างนี้เนี่เมื่อพรอมเหล่านะั้นเทียบพรอมด้วยพรอมวิหารสีอย่างเนี้แล้วทําไมถึงจะมายินดีกับหมู่มนุษย์ซึ่งฆ่า ต, ตัดชีวิตเส้นสวงไปอย่างนี้ไม่มีพระมหาพรอมไม่ได้ยินดีกับการกระทําของมนุษย์นะั้นมนุษย์หลงต่างหากนี่มันก็หลงมาแต่พระฤาษีนั่น พระรีะีเกิดความเห็นผิดขึ้นมาเพราะภาวนาได้แต่สมาธิได้แต่ฌานเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้เจริญวิปัสนาเมื่อเมื่อเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปได้บรรลุชานเข้าไปบางบางครัง้งบางสิ่งบางอย่างมันก็เกิดวิปราพขึ้น น, นั่นแหละเกิดเห็นรูปภาพอะไรตงอะไรขึ้นมา เกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาในใจแล้วตนก็สำคัญว่าเป็นความรู้เห็นที่ถูกต้องแบบ น, นี้นะนั่นแหละเป็นเรื่องความรู้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องบูชาัย น, นอะไรมูนี้นะเลยเข้าใจว่าเป็นทางถูกต้องกนะ็จึงได้นำมาสั่งสอนประชาชนนะั่นเองดังนั้นไอ้พวกฤาษีเหล่านี้ก็ได้แต่สมาธิได้แต่ฌานไม่ไม่มีปัญญา ไม่ได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเลยเพราะเหตุนั้นถึงไม่รู้จักทางสิทิ์อะ่ะการที่มันเห็นนิมิตต่างๆนิมิตต่างๆมาปรากฏขึ้นมาโหนั้นถ้าผู้เจริญนิพพานาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช้ได้แต่ว่าบรรดารูปภาพต่างๆนิมิตต่างๆนั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นธรรมอนิเศษมันมีเกิดขึ้นแล้วมันไปไปแล้วมันก็หมดเข็มแล้วมันก็ดับไป ไม่มีอะไรเป็นแกนสารเลยท่านผู้เจริญนิพพานาท่านก็รู้เท่าแค่านก็รู้เท่าวิปลาสอันนั้น่ะท่านเรลววสัญญาวิปลาสมันหมายผิดไปนั่นแหละแต่จิตไม่มีปัญญาก็เลยค้าคัมว่ามันหมายถูกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้เจริญนิพพานาท่านจึงไม่หลงนิมิตเหล่านั้น จึงได้เกิดความเข้าใจผิดจึงบรรลุถึงซึ่งทางพระนิพพานคือเป็นทางสายกลางทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อสรรพสังขารทั้งหลายแม่ตลอดถึงอินถึงพรมถ้าพูดถึงในทางปรมัต ธ, ธรรมแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนอะไรเลยก็เป็นแต่สังขารทั้งนั้นแหละ เกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนดับไปแต่ว่าสังขารบางอย่างมันเป็นกุญญาที่สังขารสังขารปรุงแต่งให้เกิดเป็นบุญกุศลอย่างปณีตบรรจงอย่างพวกพรหมอย่างนี้เรียกว่าอานิสงค์แห่งฌานสมาธินั่นแหล ะ, ะตกแต่งให้ท่านเหล่านั้นได้เกิดเป็นรูปประพรมซึ่งมีรูปอันละเอียดมาก อ, อย่างนี้แหละ แล้วก็พวกที่เบื่อหน่ายในรูปเอาเพ่งรูปจนหายไปเหลือแต่สัญญาหรือแต่วิญญาณเท่านั้นก็ไปเพ่งอยู่ในสัญญาอยู่ในวิญญาณอันนั้นออกจากสัญญาหรือวิญญาณนั้นไม่ได้เลยเพราะไม่มีวิปัตนายานหมดอายุสังขารลงก็ไปเกิดเป็นอรูปอมเป็นพรมที่ไม่มีรูปนี่ แล้วก็มีอายุยืนตั้งเป็นหลายกับหลายกันพวกอรูปภคมเหล่านี้นะเพราะเหตุนั้นในพวกใดไดไ้เกิดในพรหมโลกในลูกอรูปภคมเหล่านี้จึงสาคัญว่าตนบรรลุถึงพระนิพพานแล้วเพราะว่ามันอายุยืนมากนะี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันแต่ที่จริงแท่มันยังยังไม่ ไม่ใช่พะนิพานธ์พอหมดอา น, นิสงส์แห่งชาญ์อันนั้นแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกเป็นอย่างนั้นต้องมาสร้างบุญบารมีอีกซึ่งไม่เหมือนอย่างท่านผู้บรรลุซึ่งพะนิพานธเมื่อบรรลุพานินพนานแล้วหมดอายุสังภานแล้วท่านก็ไม่กลับมาเกิดโลกนี้อีกต่อไป จังกับสมวยความสุขอยู่ในพานิพานตลอดอนันตการเดียวว่าเป็นสุขอยู่ตลอดอนันตการไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยพานิพานนะท่านจึงเรียกว่าอมาตะธรรมแปลว่าธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเนาะในพานิพานไม่มีปัจจัยอะไรไปปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงแปรผันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่มี เป็นผู้สงบระ ง, งับตลอดอนันตการหมายคาว่ามย่างั้นเลยคือเป็นธรรมอันสงบระ ง, งับตลอดอนันตการอย่างนี้ดีกว่าคือเป็นธรรมไม่ใช่สัดไม่ใช่บุคคลเป็นเป็นธรรมอันเดียวไม่มีสองไม่มีสามเลยพระนิพพานนะ